เจริญพรญาติโยมทุกๆ ท, ท่านผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอาตมาคิดว่าทุกท่านกำลังที่จะมาสมัครเป็นญาติกับอาตมาหรือเป็นญาติกับหลวงพ่อ และต่อไปเมื่อเราปฏิบัติตอนมีธรรมะเกิดขึ้นมาในจิตใจเราก็ได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าด้วยทีนี้เรามองดูว่าญาติสองประเภทคือญาติที่เป็นสายโลหิตส่วนมากก็จะทะเลาะวิวาทต่อกันเลยกัน เพราะเราไม่ได้เป็นญาติกันในทางธรรมะญาติสายโลหิตถ้ามีการแย่งจริงสมบัติกันมีเกียงงอนกันอะไรกันมันมีหลายๆอย่างก็เลยพิจรารณาแล้วว่าญาติทางสายที่ทำนั่นแหละเป็นญาติที่ไว้ใจได้ ผู้ใดปฏิบัติธรรมโูนั้นก็เป็นญาติกับหลวงพ่อแต่ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ชื่อว่าเป็นญาติกันส่วนญาติใจโลหิตก็แค่นั้นแค่นั้นเองเราทุกคนก็คงจะรู้กันดี น้องพ่อมีญาติพี่น้องหลายคนวันหนึ่งก็ไม่ได้คิดถึงเดือนหนึ่งก็ไม่ได้คิดถึงปีหนึ่งก็ไม่ได้คิดถึงก็ไม่ได้คิดถึงแต่ถ้าญาติในทางธรรมน้องพ่อพยายามที่จะเลี้ยงด้วยป้อนธรรมะให้เขาทางโทรศัพท์ คนโน้นบางคนนี้บางคนนั้นบางพยายามที่จะป้อนเพราะหลวงพ่อรู้ว่าเป็นญาติกัน <c oughs> เอาเป็นญาติกันในทางธรรมนั้นในกลุ่มของเราทุกคนนี่ที่มาปฏิบัติก็ชือว่าเป็นญาติซึ่งกันและกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น้าภูมิใจถ้าเรามีกลุ่มในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นญาติยิ่งกว่าญาติเสีอีกนี่เรียกว่ามันจะมีความอุ่นใจแต่อย่างนั้นที่นี่ถตาญาติพี่น้องทางสายเลือดมันข้าวกันยาก ยิ่งเราปฏิบัติทำอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่ากิเลสอะไรก็ออกมานี่เราก็จะเห็นเลยพูดออกมาเราจะเห็นเราจะรู้แต่ว่าเราก็พูดไม่ได้คนอื่นนายกไว้แต่เฉพาะญาติพี่น้องก็ยิ่งแล้วกว่าไปเจี๊ยง นี่คือเรื่องญาติในทางธรรมเพราะฉะนั้นเราดูว่าพระพุทธยะพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไปโปรดประย่าที่พระองค์เป็นห่วงก็คือสเสด็จพ่อของพระองค์พระเจ้าจุดโทธทนะได้ก็เป็นห่วงลูกชายของพระองค์ พราะพระองค์ต้องการที่จะให้เป็นญาติกับพระองค์ก็โปรดพระเจ้าจุดโทธนะเป็นพระโสดาบันชวนราหุลกุมาร น, นั่นเมื่อพระองค์ไปโปรดไปบินตบาทในพระราชวังมาเหตสีของพระองค์ก็คือ พันรยาเก่าก็เลยใช้ให้ราหุลกุมา น, นั่นแหละไปขอราชสมบัติกับพระองค์พระองค์จะมีอะไรให้นั่นคือขอสมบัติเหมือนกับเยอะเยอยหรืออะไรอย่างนั้ น, นว่างั้น พระพุทธเจ้านะเป็นพ่อของเจ้านะเจ้าเจ้าจงไปขอสมบัติเถอะพระพุทธเจ้าได้โอกาสก็เลยพากลับไปวัดเลยพากลับไปวัดแนละ้วก็ให้พระสารีบุตรบวช พระเจ้าสุดโทธนะเสียใจมากเพราะว่าเจ้ากวาจาจิตถามาอยู่แล้วยังไงก็ราชสมบัติความเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คงจะตกอยู่ที่ราหุลกุมารแต่เสร็จแล้วก็มาออกพระราหุลกุมารไปเช่อีกพูดไม่ออกพระเจ้าสุดโทธนะพูดไม่ออก แค้นใจเรียกว่าแกนใจเป็นอย่างยิ่งก็เลยทูลขอพระพุทธเจ้าว่าต่อไปพระองค์จะบวชให้ใครต้องขออนุญาตพ่อแม่ก็ก่อนถ้าพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตบวชให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยรับคําอันนั้น แน่เราที่บวชกันทุกคนแหละก็ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่เทนี้ราหุลเมื่อบวชเป็นสามเณร น, น, นี่ถ้าเราไม่อ่านประวัติในละเอียดก็ไม่รู้หรอกราหุล น, นี้รักพระพุทธเจ้ามาก ตอนที่อยู่ที่เจตวันเอาคบเพลิงเมื่อก่อนนี่ก็จะมีคบเพลิงคืนหนึ่งราหุนไม่ได้นอนเลยเอาคบเพลิงนี่เดินรอบรอบกุฏิของพระพุทธเจ้าเดินรอบรอบกุฏิเจอมมงระครั้งเจ้ามงระครั้งอย่างนั้น เดินเดินป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับพระพุทธเจ้าพอถึงเวลานอนราหุลจะนอนที่ไหนเข้าไปในห้องส้วมของพระพุทธเจ้าราหุล น, นอนในห้องส้วมนะเป็นสามเณรจนกระทั่งว่า อายุครบก็เป็นพระแล้วก็นอนในห้องสว่วงพออ่านเรื่องนี้ก็คิดถึงพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสมีคนสร้างกุฏิให้ทีหลังหลังก่อนหลังแรกนะท่านก็สร้างเอง เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่หลังที่สองที่เป็นกุฏิสองชั้นนั่นแหละแม่ยายของหมอบุญส่งเลกาคุลอยู่ยาลานะเขาก็มาสร้างถวายท่านท่านก็ได้วางหนังสือวางโน้นวาง น, น, างนี้วางของส่วนมากก็เป็นหนังสือแค่ที่หลังท่านก็ ต้องการอยู่ห้องเล็กๆก็ไปอยู่ที่ด้านหลังของของกุฏิหลังนั้นน่ะมีห่องน้ำมีคือมีเป็นส้วมอยู่ในนั้นทั้งที่นอนทางห้องส้วมอยู่ในนั้นเลยก็เท่ากับว่าท่านนอนในห้องส้วมที่อยู่ทาง ถ้าเราเดินเข้าไปก็อยู่ทางขวามือนีอ่พอทีหลังหยิมีคนสร้างถวายอีกคือคนสร้างถวายก็ก็แยกห้องน้ำห้องช่วมที่หนึ่งแยกก็เตียงนอนของท่านอีกที่หนึ่ง อ, อยู่ติดกันนั่นแหละ ก, ก็คือโยมเฉินผงสนัน่น น้องเขยของโยมเฉินหนงฉนันน้องสาวเนาะเป็นแพทย์ประจําราชสํานักอยู่ในวังโยมเฉินไม่อยากอยู่ในวังมีสองคนที่อยู่ในวังโยมเฉินหงสนันนั่นก็โยมปลีกสองคนตอนนี้ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วโยมเฉินนั้นก็เลยสร้าง ห้องให้ท่านท่านอาจารย์พอที่อยู่ทางซ้ายมือห้องแรกก็อยู่ทางขวามือห้องหลังที่ท่านไปเสียชีวิตก็อยู่ทางขวามือก็อยู่ไม่นานเท่าไหร่ในห้องนั้นนั่นคือดูที่การเป็นอยู่การเป็นอยู่ตามธรรมชาติแล้วเมื่อท่านเกิดปวดขึ้นมาอะไรขึ้นมา ท่านก็จะไม่ลำบากในการที่จะเข้าห้องน้ํานี่สําหรับผู้สูงอายุก็ต้องอยู่ใกล้ห้องน้ำห้องร่วมเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างนั้นนอกนั้นก็เป็นห้องนอนห้องนอนก็มีเตียงพยาบาลไม่มีอย่างอื่นมีเตียงพยาบาลนีนี้ตอนจุดท้าย ตอนที่ท่านป่วยหนักแล้วเขาก็เห็นว่าท่านคงไม่หวยแล้วอาจารย์สัญญาก็เลยจัดการว่าเรื่องทั้งหมดเรื่องเครื่องบินนี่เรื่องของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์หมดตอนที่ท่านป่วยบางครั้งเขาก็ให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์มารับไป ทำไมนั่นยังไม่มีสนามบินที่สุราษฎร์ทีนี้พอท่านป่วยหนักเขาเห็นว่าท่านหายใจขัดขัดแล้วเขาก็เลยรีบเลยทีนี้ทางกรุงเทพก็รีบเลยรีบแล้ก็ขึ้นเครื่องเป็นเครื่องของของทหารทหารคนที่เป็นกัปตัน ก็เป็นรูปศิษย์ของหลวงพ่ออยู่ที่หน้าวัดตรงนี้เองตอนนี้ก็ยังเป็นกัปตันอยู่ทีนี้หลวงพ่อก็ไปไปที่ชวนโมกพพร่อมีโทรศัพท์มาบอกว่าก็จะนำท่านอาจารย์มาแล้วก็รีบไปตั้งแต่เช้ามืดไปถึงโนนก็ประมาณสามโมงครึ่ง รออยู่พอส1บอดโมงก็กระํำเรียงคือพอเครื่องเรนเครื่องลงเขาก็โทรมาบอกแล้วก็ทางโรงพยาบาลสุราชก็อเอารถพยาบาลนั่นแหละไปสวมเครื่องช่วยหายใจอะไรต่ออะไรออกซิเจนแล้วก็พามาจนกระทั่งว่า สิบเ็ดกว่ากว่านิดหน่อยพอมาถึงหน้ากุฏิก็มีตากร้องที่ว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบคนที่มารอกันอยู่นอกนั้นก็เป็นชาวบ้านเป็นพระมารอกันอยู่ท่านอาจารย์โพท่านก็เลยบอกว่าไม่ต้องถ่ายรูปถ่ายแล้วรูปที่ออกไปนะ่ะมันก็ จะดูไม่ดีเพราะว่ามีแต่สายลุงรังลุงรังพวกนั้นก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงพว่อจัดจัดการเองเยทีนี้จัดการเองในขนาดนั้นบอกว่านี่อาจารย์โพหอมอยไม่ให้ผมเอะผมจัดการเองก็เลยพูดบอกว่าท่านไม่ต้องถ่ายนะ อาตมานี้ก็มีกล้องอยู่ในย่ามยังไม่ถ่ายฉะนั้นเราจะต้องเชื่ออาจารย์โปนี่เมื่อเราไม่ถ่ายรูปก็ทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งตอนนี้โดยในตอนนั้นเขากหลังจะลำเลียงท่านอาจารย์เข้าไปพักในห้องที่อยู่ทางซ้ายมือนั่นแหละอาตมาเลยบอกทุกคนว่าไอ้สวดอิทีปิโสเดี๋ยวนี้ก้าวจบ อาตมาก็ขึ้นอิติปิโสสวดอิติปิโสชาวากขาโตทุปฏิปันโนอิติปิโสทุปฏิปันโนชาวักาโตทุปฏิปันโนคือพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนั่นแหละจนจบเก้าครั้งอาตมาเองก็ไม่ได้ไปดูใจของท่านอาจารย์เพราะต้องนำเขาสวดจนจบเก้าครั้ง ก็ไปนันว่าพวกนั้นก็ช่วยกันสวด น, นี่อะไรเนี่ยที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่อยากดังไม่ใช่อวดดีแต่ว่าแก้ปัญหาในปัจจุบันได้ได้เพราะเราต้องรู้ว่าคนเมื่อจะหมดลมหายใจนะต้องฟังอย่างนี้ต้องฟังเรื่องอย่างนี้อาตมาก็ทาหน้าที่ เรียบร้อยแล้วพอคิดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าสบายใจเราได้ทำให้ท่านอาจารย์เรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้พอสวดเสร็จก็เลยเข้าไปในห้องไปถึงก็ไปกราบศพกราบที่แขนของท่านก็มีพระรูปหนึ่งเป็นเพื่อนกัน เชื่อมหมาประที่ท่านพออัตมากราบท่านก็เลยไปยกมือของท่านอาจารย์พุทธทาสออกมาจบีศีรษะของหลวงพ่อแล้วท่านก็บอกว่านี่ลูกศิษย์รักเพราะฉะนั้นจะต้องตกหัวแล้วก็ถ่ายรูปไว้ติดพอดีรูปนั้นอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่เรื่องของท่านอาจารย์พุทธทาสวันนั้นที่พูดที่สวนโมกกรุงเทพก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะมันมีหลายหลายเรื่องที่จะพูดแต่นี้คือเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายตอนที่ท่านเสียชีวิตเรื่องสุดท้าย กว่านั้นอีกเมื่อถึงเวลาจะทำศพของท่านไม่มีใครบอกคนกรุงเทพนั่นบอกมานูปิดนะูปิดทำไมก็ไม่รู้ปิดทาไมก็ไม่รู้เขากลัวคนมากท น, นก็ต้องคิดว่าคนที่เขามาก็ไม่ได้มาทำลายคนที่เขามาเพราะศรัทธาธรรมะที่ท่านอาจารย์ สอนอบรมมาเป็นไม่รู้กี่สิบ ป, ปีก็ไม่มีใครพูดหรอกมมีใครพูดทีนี้พอถึงเวลาที่จะยกศพอวางศพไปที่เห็นโค้งนั่นแหละวางศพไปที่เป็นเป็นไม้เป็นที่นั่งไม้รากไม้เขาวางศพตรงนั้น แล้วพอถึงเวลาคือก็จะจัดกันจะจัดกันว่าพระองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นของพ่อก็เลยทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็เลยเอา้าเราก็ต้องขึ้นด้วยก็เลยขึ้นไปขึ้นไปถึงไอ้ไม้นะมันจะเป็นแอง่งเป็นแอง่งไม้มันเป็นแอง่งเป็นแอ่งทีนี้ไอ้น้ำเน่าน้าเหลืองจะไหลลงไปกองอยู่ที่ตรงกลาง อาตมาก็ไปเหยียบไปเหยียบกกองนั้นเหยียบอกองนั้นเอ๊ะนี่น้ำเหลืองของท่านอาจารย์นี่ก็ไปทีนี้ก็ไม่ได้หาอะไรเดินเกอะไปอย่างนั้นเกาะไปจนถึงที่บนภูเขาพุทธทองก็ทําพิธีสวดหลวงพ่อปัญญา ก็เลยขึ้นกุศลขึ้นน้โมขึ้นน้โมหลวงพ่อก็รับน้โมต่อมาจากหลวงพ่อปัญญาเพราะหลวงพ่อมีไม่อยู่ก็เลยนําสวดกันสวดพอสวดเสร็จก็เผาที่นี้เผา ใ, ในระยะนั้นน่ะก็มีพระไปหลายรูปจากที่วัดนี้ ไม่ต่ำกว่ารูปพาพระไปด้วยในวันเผาเขาเลยบอกพระบอกว่าคุณไปหาผ้าสกปืนแล้วก็เช็ดน้ำเหลืองที่ที่วางหีบศพของท่านอาจารย์นั่นแหละแล้วก็ใส่ถุงพลาติกใส่ถุงพระติกมัดในเดียบร้อยพระก็ทำตาม ทำตามท่านก็ถามว่าจะเอาไปไหนอบอกว่าจะเอากลับวัดเพราะท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นๆอยู่ท่านบอกว่ากระดูกไม่ต้องเอาไปไหนไอไว้ที่เดียวไว้ที่สวนโมกแล้วก็เอาไปส่วนหนึ่งไว้ที่ขอประสงค์ส่วนหนึ่งก็ที่ ที่น้นในที่เขาศกนอกนั้นพวกขี้เท้าก็ เ, าเอาไปหมู่กาออ่างทองก็ เ, เลยทำตามสั่งทุกอย่างทำกันตามสั่งทีนี้พอเสร็จแล้วของพ่อก็ลงมาลงมาก็ไปข้าวว่องน้ำคิดว่าจะล้างเท้าหน่อยที่เปื่อนนั้น ก่อนที่จะล้างก็นั่งลงแล้วก็ดมดูดมดูเอ๊ะไม่เหม็นนี่ไม่เหม็นนี่เห น, น, เนียวคือจะเหนียวเหมือนกับน้าพึ่งอย่างนั้นจะเหนียวแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาวัดเอาผ้านั้นมาเอาผ้านั้นแล้วเอามาตากทีนี้เอามาตากตากแดดพอตากแดดมีคนงานสามคน ที่ทำงานทําตอนนั้นกําลังทําถังน้ําอยู่ที่ข้ากุทิหลวงพอ่อเสร็จรแล้วพอเอามาดูเห็นเป็นดวงเป็นดวงพอเป็นดวงเป็นดวงหลวงพ่อก็เลยบอกโยมคนหนึ่งบอกว่านี่โยมนาคแกชื่อ น, นาคโยมนาครองดมดูสิที่เป็นดวงนี่มันอะไรเนี่ยแกบอกว่าเออ ก็ขนมเดือนสิบคือขนมเดือนสิบขนมเจาหูเขาทษมันแต่บอกว่ากลิ่นนี้ขนมเดือนสิบบอกว่าไม่ใช่นั่นนี่น้นเหลืองของท่านอาจารย์พุทธทาสไม่เหม็นเห็นหมจะไม่เหม็นไม่เหม็นทีนี้ก็เสร็จแล้วหลวงพ่อ ก, ก็เลยสั่งไปกรุงเทพให้เพื่อนไปติดต่อซื้อ ซื้อโกดที่เป็นเจดีเน่ยที่อยู่หน้านั้นเน่ยอยู่ที่หินโกงนั่นแหละก็ เ, เลยเอบผ้านั้นผ้านั้นนะ่ยใส่ลงไปในนั้นเก็บไว้อยู่ในนั้นแหละเพื่อว่าไม่มีใครรู้ทีหลังหลวงพ่อไม่อยู่แล้วจะเอาผ้านั้นทิ้งกนนะั้นผ้านั้นเป็นผ้าซับน้ำเหลืองของท่านอาจารย์พุทธทาสนั่นแหละ ไม่เหม็นของพระอระหันต์ท่านไม่เหม็นแต่ของเราเหม็นยังไม่ทัานตายไม่ท่านตายเหม็นแล้วนั่นก็พระอระหันต์ไม่เหม็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราต้องการก็คือจิต ที่ดับทุกได้จะเป็นพระอรหันหรือไม่เป็นอรหรันก็ช่างมันให้มันดับทุกได้ก็แล้วกันถ้าเพราะว่าอรหรันคนนั้นก็ยกย่องคนนี้ก็ยกย่องเหมือนกับที่เป็นมาเมื่อปีนี้ที่ผ่านมานั่นแหละคือือากันเป็นการใหญ่แต่ท่านอาจารย์พุทธทาสไม่มีงืองา เรื่องไปพูดว่าฉันเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านไม่เคยพูดเรื่องนี้ท่านจะไม่พูดเลยรู้เองเมื่อเราปฏิบัติเราอ่านหนังสือของท่านเราก็รู้เองหลวงพ่อเป็นคนโง่โง่ก่อนที่จะไปอยู่สวนโมกอ่านหนังสือกู้มือมนุษย์เล่มเดียว แค่นั้นเองหลวงพ่อรู้แล้วพระองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์หลวงพ่อจะไปบวชเราจะไปบวชกับพระองค์นี้นั่นคือคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปเลยทีนี้ไปเลยไปเลยพอถึงเวลาที่จะบวชส0บปีสามเดือนสิบ้าวัน เพราะว่าทางนี้หลวงพ่อก็มีอาจารย์มีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสำนักวัดคูหาสวรรค์ทั้งเป็นเจ้าคุณใหญ่เรียกว่าเจ้าคุณใหญ่ทีหลังก็เป็นรองสมเด็จฐานาที่หลวงพ่อเป็นพระครูวินัยทร น, นี่ไม่ใช่ฐานาของเจ้าคณะจังหวัด ฐานาธรรมดาแต่ฐานาหลวงพ่อนี่ฐานาของฐานาของรองสมเด็จแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเอ็นี้หลวงพ่อก็ก่อนที่จะมานี้แหละก็ถามท่านว่าถ้าเวลากล้าวกับผมไปอยู่ทางโน้นเขาให้เป็นพระครูนี่จะว่ายังไง ท่านก็บอกว่ารับรับเอาไว้ถ้าเขาให้ก็รับรับเอาไว้นี่มันช่างรู้ไปหมดเลยง่วพ้องกันเอาไว้หมดทุกอย่างก็เลยรับเอาไว้รับเอาไว้รับเอาไว้จนบัดนี้แหละแล้วต่อไปก็นี่ก็สั่งเอาไว้แล้วว่ารองเจ้าก็นัจังหวัดว่าไม่ต้องให้แล้วไม่เอาอะไรต่อไปนี้ไม่เอาอะไรทางนั้นยศนี่ไม่เอาไม่เอาแล้ว เป็นอย่างนี้แหละเป็นหลวงพ่อเอี้ยนอยู่อย่างนี้แหละตอนพระครูวินัยทอนก็อย่างนั้นเองก็แค่นั้นเองเอาอย่างนี้ทีนี้พอถึงเวลาไปขอบวชท่านท่านก็ถามว่าทําไมเธอไม่บวชกับออตอนนั้นเป็นท่านเป็นเจ้าคณะภาพ ทำไมเธอไม่บวชกับเจ้าคณะภาคทีวัดกหาสวรรค์กับเจ้าคุณบอกว่าเพราะว่าเกล้าตั้งใจมาที่จะบวชกับพระเดชพระคุณเพราะฉะนั้นถ้าบวชที่โน้นจะบวชนานแล้วจะบวชเมื่อไรก็ได้แต่ก็ไม่เอ า, เ, อ า, าเพราะว่าเกล้าตั้งใจมาอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้พูดหรอกว่าท่านอาจารย์เป็นพร ะ, ระรอรหันต์เรารู้ เมรู้อย่างนั้นก็เลยอยากบวชกับท่านชีวิตนี้อย่างน้อยมันจะได้มีอะไรขึ้นมาบ้างนี่คือเรื่องที่อาตมาจะต้องไปบวชกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาเรื่องมันเป็นอย่างนี้กพระรู้มาตั้งนานแล้วรู้มาตั้งแต่ก่อนที่จะไปอยู่อีกแล้วทำไมจะไม่รู้ น, นี่นี่แหละคือเรื่อง เอาทีนี้เมื่อเราตั้งใจในการปฏิบัติธรรมจุดหมายปลายทางของเราก็ อ, อยู่ที่ดับทุกข์คือให้ดับทุกข์ได้ทีนี้ที่พูดมาสองครั้งแล้วว่าหัวข้อที่ว่าดับว่างสงบเย็นให้ร่องอ่ หัวข้อของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสก็ว่าสะอาดสว่างสงบแต่ของลูกศิษย์นี่เป็นดับว่างสงบเย็นไม่ได้คิดเอาเองมันเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาก็เลยเอาเป็นสโลแกนเป็นอย่างนั้นดับ วางสงบเย็นไอ้นี้ดับก็นั้นถ้าจะให้ดับเราก็ปฏิบัติตามอริมักเมย อ, องแปดเหมือนที่พูดให้ฟังนั่นแหละปฏิบัติตามอริมักเมย อ, องแปดถ้าไม่ปฏิบัติตามอริมักเราก็ไม่สามารถที่จะหาตัวดับได้อย่างอื่นเอามาดับไม่ได้ นอกจากอริยมรรคมนองค์แปดเท่านั้นเมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรคมนองค์แปดมันก็เกิดทั้งญาณทั้งปัญญาทั้งวิ ช, ชาทั้งแสงสว่างและก็เกิดดวงตาขึ้นมาในครั้งแรกน่ะคือเกิดดวงตาขึ้นมาคือดวงตาปัญญาอันนั้นให้เราทุกคนลืมตาขึ้น ก็คือลืมตาปัญญาไม่ใช่ลืมตาที่อยู่หน้าปากที่ตรงนี้ปฏิบัติให้ลืมตาปัญญาขึ้นพอลืมตาปัญญาขึ้นก็เรียกว่าจักขงอุตาปาทิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่โรนั่นนี่คือตาปัญญาลืมขึ้นมาแล้วทีนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงธรรมในครั้งแรก แก่พระแก่ปัญจวัคคีตอนนั้นยังไม่ได้บวชกันยังเป็นนาบทอยู่ไอนี้เมื่อท่านเมื่อพระองค์งทรงแสดงเสร็จแล้วัญญาโกนัญญะขอบวชพอขอบวชพระองค์ก็รู้แล้วว่าอัญญาโกนัญญะเปิดดวงตาขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ตรัสว่าอัญญาสีวัฏโโพโกลตัญโยอัญญาสีวัฏโโพโกลตันโยอัญญาโกนตัญญะรู้แล้วอัญญาโกนตัญญะรู้แล้วนั่นคือเป็นพระโสดาบันแล้วเริ่มที่จะลืมตาขึ้นมาแล้วทีนี้พระองค์ก็เรียวกว่าพยายามที่จะ ใส่ก็ไปใส่ก็ไปใส่ก็ไปเพราะว่าทั้งห้าคนปัญจวคีนั่นแหละเขาหิวมานานแล้วเหมือนกับว่าหิวน้าอย่างนั้นหิวมานานแล้วว่าหิวมานานแล้วเขาต้องการที่จะดืม่มหรือว่าเขาหิวข้าวเขาต้องการที่จะทานข้าวอย่างนี้เขาหิวมานานแล้วแั่นั้นพระพุทธเจ้าเลย เอาอย่างหนักทีนีต้องเทศกันอย่างหนักนี้พระองค์เทศเรื่องอะไรก็คือเรื่องของขันห้าเรื่องขันห้าเรื่องขันท้าที่อยู่ตรงกลางของปฏิจจ a ม a ประบาทนั่นแหละทีนี่ที่พระพุทธเจ้ารู้ว่าวัาญญากนตัญญะลืมตาขึ้นมาแล้วก็คือรู้แล้ว ร, รู้แล้วพระองค์ก็เป่งพระวาจากันว่าอัญญาสีวัฏปโกรณัญโยอัญญาสีวัฏปโกรณัญโยอัญญาโกลัญญารู้แล้วอัญญาโกลัญญะรู้แล้วจนกระทั่งว่าไม่กี่วันดาบททั้งห้านั้นก็เป็นพระอระหันต์หมดพระองค์ก็บวชให้หมด บวทให้หมดรู้กันตามลำดับนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการทีนี้อย่างที่ไปโปรดญาติก็ต้องการที่จะเปลี่ยนญาติสายโลหิตให้เป็นญาติสายธรรมเช่นอย่างพระราหุลอย่างนี้ทีหลังก็เป็นญาติสายธรรม เพราะพระราหุลก็เป็นพระอรหันรูปหนึ่งแต่ท่านก็ได้มารากาละหรือได้มาราณาภาพก่อนพระพุทธเจ้าอีกอายุสั้นอายุของท่านสั้นทีนี้พอลืมตาขึ้นมาแล้วเรียกว่าจักกุ้งอุตาวปาทิพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็รู้ ก็พูดไปแล้วเมื่อคืนรู้รู้นั่นคือตัวยานไม่จ่รู้จากการอ่านไม่จ่รู้จากการฝังแต่ว่ารู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่เราปฏิบัติตามอริยมรรคมโองแปดนั่นนะก็คือเกิดยานเกิดตัวรู้ขึ้นมาเกิดจากกงอุตตราฏิ เกิดยาหนังอุตป า, าธิแล้วก็เกิดปัญญาอุตป า, าธิเกิดวิชาอุตป า, าธิแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาส่องส่องเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างต้องการที่จะรู้อะไรก็โดยเอาปัญญาเอาวิชานั่นแหละส่องเข้าไปแล้วมันจึงจะรู้แต่ว่าครั้งแรกก็ส่องเข้าไป ในเรื่องเหตุผลก็คือเรื่องของอริยสัจนั่นแหละพอได้อาวุธขึ้นมาแล้วก็เลยส่องเข้าไปส่องเข้าไปในเรื่องของทุก์ในเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ในเรื่องความดับทุกขในเรื่องหนทางให้ถึงความดับทุกขส่องเข้าไปทีนี้มันต้องส่องที่เหตุเหมือนที่พูดให้ฟัง อวิจารนะ์ไม่ใช่ไปสองที่ตัวอาวิจารสองที่เหตุเกิดอาวิจาก็คือตัวสมูทไทสองที่ตัวสมูทไทจนเห็นชัดเจนแล้วก็ละสมูทไทพอละสมูทไทเอาวิจาก็ดับนั่นคือคำว่าดับคำว่าดับเพราะฉะนั้นเมื่ออาวิจารดับ สังขารวิญญาณนามรูปอายตนาภัสสเวทนาตนาอุปาทานทุกทั้งหมดความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกขความตายเป็นทุกขดับหมดไม่มีอะไรเหลือดับหมดมันก็เลยถ้าเราปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ไม่กลัวตายดีนี้มันไม่กลัวตายมันไม่กลัวแก่มันไม่กลัวเจ็บ มันกลัวอะไรกลัวเกิดกลัวเกิดกลัวเกิดไม่ใช่กลัวเกิดจากท้องแม่กลัวเกิดจากความรู้สึกว่าตัวกูนั่นกลัวเกิดเพราะพอเกิดความรู้สึกว่าตัวกูทุกครั้งพอชาติพอถึงชาติ เลยไปถึงจร า, ารามรณะโสก่าปริเทวะทุกโทมณฑาอุปายาตพอเกิดชาติขึ้นมาทุกทีมันก็ถึงจร า, ารามรณะโสก่าปริเทวะทุกโทมณฑาอุปายาตทุกทีมันก็เป็นทุกทุกทีพอเกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมามันก็เป็นทุกทุกทีเขาก็เลยระวังไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดตัวกู คือความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นทํำยังไงก็ต้องทําให้ตัวกูนั่นแหละดับไปเสียตัวกูคืออวิชชานะอวิชชาให้มันดับไปเสียที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดเอกเนี่ยนะ ว, ว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นแหละไม่ใช่กูก็คือพยายามทําให้มันดับให้ตัวกูนั้นมันดับไปแล้วก็ว่าไม่ใช่กู แต่ว่าวิธีที่จะดับอูนี่แหละคือวิธีดับต้องปฏิบัติตามอริยมรตมีองแปรเมื่อปฏิบัติตามอริยมรตมีองแปรก็ 8, เหมือนกับว่าเราขุดบ่ออย่างนั้นขุดบ่อน้าเราจะดับไฟคือความทุกข์ไม่รู้จะเอาน้ำที่ไหนก็เลยต้องขุดบ่อ กดบอ่อน้ําได้น้ํามาได้น้ํามาก็ได้น้ํามาแล้วก็ค่อยๆดับไม่ใช่ดับตรงกลางค่อยๆดับไปรอบๆรอบๆดับไปทางข้างมันก่อนแต่วก็ตรงกลางค่อยๆดับทีหลังมาอย่างนั้นก็โผล่ขึ้นมาอีกก็ดับก็ไปดับก็ไปดับก็ไปก็ดับที่สมูทัยนั่นแหละทีนี้ไอ้ตัวน้ำนั่นก็คือตัวนิโรดนั่นแหละคือตัวดับ ทีนี้พอเอาน้ำไปดับน้ำปัญญาเนี่ยน้ำวิชาน้ำปัญญาเอาไปดับพอไปดับที่จมูกไทยจมูกไทยดับความทุกข์เกือนวิชามันก็ลุกโครงขึ้นมาไม่ได้ทีนี้เราก็ค่อยๆดับไปแล้วมันก็ลุกโครงขึ้นมาไม่ได้พอลุกโครงขึ้นมาไม่ได้ตอนที่มันดับใหม่ๆ ยังไปจับต้องมันไม่ได้มันยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เอมันค่อยๆอยให้เอ้อย อ, อ, อุ่น เ, เบาลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดจะเอาใบไอ้อุ่นนั้นมันเบาลงไปพ อ, อต่อไปมันก็เย็นถึงที่สุดเย็นถึงที่สุดนี่เรียกว่านิพพานเรียกว่านิพพานทีนี้เมื่ออวิชชาดับ ลูกน้องทั้งหลายที่ตั้งสิบตัวสังขารวิญญาณนามรูปวายตนาภัสสะเราจะต้องศึกษาต้องศึกษาทุกตัวให้รู้จักทุกตัวถ้าเราไม่รู้จักมันไม่ดับอีกเราต้องรู้จักมันรู้จักทีนี้มันมีเยอะแยะทีนี้การดับ ไปดับตรงกลางก็ได้อันนี้ก็พูดมามากแล้วดับที่นามรูปดับที่นามรูปทำยังไงทีนี้ดับที่นามรูปเพราะว่าปัญญามันยังไม่พอเมื่อปัญญายังไม่พอไปดับที่ตรงกลางทีนี้ดับนามรูปนามรูปก็มีรูปรูปก็ประกอบด้วยธาตุสี่ด้วยธาตุหก ธาตุดินธาต้น้ำธาตุไควธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุทาัทานรูปคือร่างกายที่นี่เวทนาความพอใจไม่พอใจสัญญาความจำความมั่นหมายสังการความคิดการปรุงแต่งวิญญาณก็คือตัวรู้ที่ประกอบด้วยอวิชชาทั้งนั้นทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาฉัางขารวิญญาณนี้ เมื่ออวิชายังไม่ดับพวกนี้ก็อาวิชาอมเอาไว้ท้งนั้นเลยทีนี้เราอยากที่จะไปดับที่ตรงกลางเพราะน้ำของเรายังไม่พอเราก็ไปดับที่กลางนั่นที่น้ำรูปดับที่น้ำรูปเราจะดับยังไงบอกแล้วว่าไม่ใช่กูตัวแรกที่อาวิชานั่น ภาวนาว่าไม่ใจกูไม่ไม่ใช่กูที่นี้เราไปดับตรงกลางดับตรงกลางก็ไม่ใจกูอีกนั่นแหละรูปไม่ใช่กูเวทนาไม่ใจกูสัญญาไม่ใจกูสังขารไม่ใจกูวิญญาณไม่ใจกูเนีมันก็ไม่ใจกูทางนั้นไม่ใจกูที่นี้ลองวิจัยดูทีวิจัยรูปไม่ใช่กูเออรูปก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา ไม่ใช่มันเป็นนิจจังมิจจังไม่ใช่มันเป็นจุก ข, ขังไม่ใช่มันเป็นอัตตารูปนี่ก็เป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาดูเวทนาอีกเวทนามันก็เกิดดับทัญญาความจำความมั่นหมายอีกมันก็เกิดดับทั้งขารความคิดการปรุงแต่งมันก็เกิดดับวิญญาณความรู้ความรู้ตัวนั้นมันก็เกิดดับมีแต่เกิดดับ ก็ดับที่นี้เราก็ภาวนาวเดินภาวนาวเล่นเล่ น, เ, ลนเหมือนกับร้องเพลงอย่างนั้นคือว่าเราทำจริงๆในเวลาเรานั่งรู้ไม่ใช่กู้เวทนาไม่ใช่กู้สัญญาไม่ใช่กู้สังขารไม่ใช่กู้วิญญาณไม่ใช่กู้เอาไม่ใช่กู้นั่นแหละมาฆ่ามันมาฆ่ามันที่ตรงนั้นเพราะมันเป็นลูกน้องของอวิชชาฆ่าที่ตรงนั้น ที่นี้เมื่อเราทำรูปเวทนาจัญญาสังการวิญญาณไม่ใช่กูลูลกน้องของหรือว่าสายที่จะเป็นลำดับต่อไปจากนามรูปก็เป็นสรายาตนะเกยญาตนาหกอายญตนาหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทำอย่างนั้นอีก เราว่ารูปไม่ใช่กูเวทนาไม่ใช่กูสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กูเอ้าเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อก็ว่าตาไม่ใช่กูหูไม่ใช่กูจมูกไม่ใช่กูลิ้นไม่ใช่กูกายไม่ใช่กูใจไม่ใช่กูนี่เล่นมันอย่างนั้นเลยหรือไม่ใช่กูทางนั้นทีนี้เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กูสิ่งที่ตาเห็นก็คือรูป สิ่งที่หูได้ยินก็คือเสียงสิ่งที่เกิดทางจมูกก็คือรสสิ่งที่ก็คือกลิ่นสิ่งที่เกิดทางลิ้นก็คือรสที่เกิดทางผิวกายก็คือเรียกว่าสัมผัสสัมผัสหรือเรียกว่าพโธตัพภะสิ่งที่เกิดทางใจก็คือธรรมารมณ์เกิดธรรมารมณ์ขึ้นมาดังนั้น มันล <muitas> ้วนไม่ใช่ก no ูทางนั้นเลยทีนี้กระบวนการไม่ใช่กูตาไม่ใช่กูรูปที่ตาเห็นก็ไม่ใช่กูเห็นไอ้กูนั่นเอาออกเถอะสิ่งที่ตาตาเห็นไม่ใช่กูเห็นไอ้ที่กูเห็นเนี่ยเพราะไปเอาตามาเป็นกูไปเอาตามาเป็นของกูเราเอาตามาเป็นกูเอาตามาเป็นของกู ตานั้นมันก็เกิดดับตานั้นมันก็ว่างจากตัวตนมันเกิดดับเห็นไหมมันจะเกิดดับในรูปที่ตาเห็นมันก็เกิดดับอีกนั่นแหละทีนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาเรียกว่าจากผูวิญญาณมันก็เกิดดับอีกนั่นแหละทีนี้เสร็จแล้วมันก็เกิดเป็นผัสสะคือการกระทบเต็มเต็ม การกระทบนั na, al, al, as, al, en, al, ai, cargo, ้นก็เกิดดับว่างจากตัวตนทีนี้พอเกิดเวทนาขึ้นมาเห็นว่าเวทนานั้นมันก็เกิดดับมันว่างจากตัวตนพอเห็นเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนเห็นตัณหาตัณหามันก็ดับทีนี้ตัณหามันก็ดับตัณหามันก็เกิดไม่ได้ตัณหาดับหรือว่าถ้ามันเลยเถิดไป เลยเกิดไปถึงตัณหาเราก็ดูไอ้ตัณหาเองมันก็เกิดดับตัณหาเองมันก็เกิดดับแค่มันก็ดับไปเลยทีนี้มันก็ดับไปเลยอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทครึ่งทอนแต่เราต้องทําให้ครบวงจรเหมือนที่พูดเมื่อคืนต้องทําให้ครบวงจรให้ครบวงจรก็คือตารูปจั ก, กูวิญญาณผัจจะ เวทนาหูเสียงแล้วก็ค า, านะณวิญญาณปัจจเวทนาจมูกกลิ่นโคาณาวิญญาณ้ไ อ, อ, อ้ข้างบนนมันผิดข้างบนผิดเอาใหม่นะเอาใหม่ตารูปจั ก, กูวิญญาณปัจจ เวทนาหูเสียงโสตาวิญญาณปัจจเวทนาจมูกกลิ่นกาณาวิญญาณปัจจะเวทนาลิ้นรสชิวหาวิญญาณปัจจเวทนากายสิ่งที न, ่มากระทบกายกายะวิญญาณปัจจเวทนา ให้กับใจธรรมารมมโนวิญญาณปัจจเวทนาล้วนแต่เกิดดับเนี่ยล้วนแต่เกิดดับพอเกิดเห็นมันเกิดเห็นมันดับคือเห็นเวทนานะเห็นตัวเวทนาเห็นตัวเวทนาที่เป็นสุขมันก็เกิดดับเห็นตัวเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็เกิดดับ เห็นตัวเวทนาที่เป็นอวิชชามันก็เกิดดับเนี่ยมันจะเกิดดับเกิดดับทั้งนั้นเลยพอเห็นเกิดดับเราก็ไม่เราให้มันเกิดตันหาก็เลยดับไปเฉยที่ตรงนั้นดับเฉยที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าปฏิจจาระมุปาบาทครึ่งท่อนครึ่งท่อนต่อไปก็ตันหาดับอุปาทานดับพบดับ จะดับชรามรณโสกาปริเทวะทุกตัวมนั์จาอุปยาตดับนั่นมันจะดับครึ่งทอนเราดับครึ่งทอนจนกระทั่งเราจำนาญจำนานในการดับครึ่งทอนเสร็จแล้วเราก็ไต่เต้ า, ตาขึ้นข้างบนทีนี้จากนามารูปก็ เ, เป็นวิญญาณวิญญาณก็คือตัวความรู้ แต่ความรู้ที่ยังประกอบด้วยอวิชชาอยู่เว่าความรู้นั้นยังประกอบด้วยอวิชชาอยู่ <c oughs> เราต้องไปเร่งดีนี้ไปเร่งอริยมรรคมนองค์แปดให้มันเข้มขึ้นมาอีกปฏิบัติให้เข้มขึ้นมาอีกในเรื่องของจัมมาวายามะจัมมาสติสัมมาสามาธินะั่นเร่งให้ ใน ห, หนักขึ้นมาอีกพอหนักขึ้นมาอีกอเรากิจักกุงอุตาปาธิญาณอุตาปาธิปัญญาอุตาปาทิวิชชาวุตาปาธิอาโลโกตาปาธิมันก็เข้มขึ้นพอเข้มขึ้นเราก็เห็นว่าตัววิญญาณถ้าประกอบด้วยอวิชามันก็มาควบคุม นามรูปอายตนาปัจจาวินาตานาอุปาทานนั่นแหละคือมันให้เป็นทุกข์ทีนี้ถ้าหากว่าวิญญาณตัวนั้นเป็นวิญญาณที่ถูกตัวปัญญามาควบคุมคือตัววิชามาควบคุมถ้าตัววิชาควบคุมก็จะทําให้วิญญาณนั้นถูกปลดปล่อย จากอาวิชชาเป็นวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยแล้วคือความรู้ที่ไม่เจกูความรู้นั้นไม่ชจกูรู้ว่าตัวเองคือตัวความรู้นั้นไม่ชจกูนี่รู้ในกัรหน้ารูปก็ไม่เจกูเวทนาจัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เจกูเอากระเทิบขึ้นไปอีกกระเทิบขึ้นไปอีกเป็นสังขาร สังขารถ้ายังอยู่ใต้อำนาจอาวิชชาก็เป็นกูหมดกายสังขารก็คือกูกระทมวาจีสังขารก็คือกูพูดมโนสังขารก็คือกูคิดก็คือกูคิดกูหมดเอาวันนี้เราทาสีทาสีตัวอาคาร ปรับปรุงใหม่ก็าภาวนาไปทีแต่เมื่อเราไม่ภาวนาเป็นยังไงเราก็ไม่ได้คิดว่ามันมีกูหรือไม่มีกูทำให้มันดีที่สุดเรียบร้อยที่สุดไม่มีกูในตอนนั้นมันมีแต่สติปัญญาทำแล้วมันเพลิดเพลินดี นั่นคือมันมีสติปัญญาในตอนนั้นแต่ทำแล้วมีกูรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียรู้สึกอะไรมันไม่ค่อยสู้เรียกว่าไม่ค่อยสู้เห็นคนอื่นไม่ทำแต่ว่ากูทำอยู่มันก็เลยอวิชชาก็าไปครอบฉังนั้นท่านอาจารย์ท่านจึงบอกว่า ให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างก็คือจิตที่ว่างจากกูนั่นแหละทำงานทุกอย่างเราทุกคนทำงานกันทางนั้นที่มาจากกรุงเทพมันมีกูขึ้นมาไม่ได้อย่างกับตันที่ขับเครื่องบินมีกูไม่ได้ตอนนั้นเพล่ไม่ได้ มันต้องมีแต่สติปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนมาในเรื่องของเทคนิคในการขับเครื่องบินทำยังไงให้มันขึ้นทำยังไงให้มันลงทำยังไงให้มันล่อนลงก็ทำตามที่ศึกษาเรียนมานี่นั่นคือใจสติปัญญาพมีทั้งสติและมีทั้งปัญญานั่นคือขับเครื่องบิน ด้วยจิตว่างถ้าจิตไม่ว่างตายกันหมดทั้งลําลยนีขับเครื่องบินก็ต้องจิตว่างกับเรือก็ต้องจิตว่างกับรถก็ต้องจิตว่างแต่เด็ดด้เราไม่รู้จิตว่างนั่นคือใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิรอบไปหมดในตอนนั้นใจรอบไปหมดเลยเห็นไหม นั่นนี่คือทํางานด้วยจิตว่างแม้แต่กวาดขยะนี่ต้องกวาดขยะด้วยจิตว่างทํำยังไงไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กู้ซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีแกว่งไปแข่งมาไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้ไม่ใช่กู้เห็นไหมนี่คือทํางานด้วยจิตว่างแล้วปัญญามันก็เกิด มันก็เกิดเองเดอกไฟมันก็รู้เองว่าจิตว่างนี่ยังไงนี่ทำงานด้วยจิตว่างเพราะฉะนั้นกายสังขารก็คือการทำทางกายวาจีสังขารมันที่หลวงพ่อกำลังพูดอยู่นี่เรียกว่าทางวาจาสังขารคือการกระทาการกระทําทางวาจานี่ถ้าหลวงพ่อพูดว่าเออนี่มันกูพูด มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่กูพูดมันไม่มีกูอยู่ในนั้นเราศึกษาเราปฏิบัติยามันมีกูอยู่ในนั้นครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปเทศหลายปีแล้วมีโยมที่นี่ก็เสียชีวิตเขาก็นิมนต์ไปพูดที่แหลมตะโนดไปเทศงานรบ นั่งพูดพูดพูดพูดกระบวนธารทำ ม, มากมันจะเห็นเลยจะเห็นนี่ที่ใต้ถอยมันเห็นเห็นด้วยญาณมันจะเห็นกับตาตาจะเห็นยังไงใต้ถอยของตัวเองมันจะเห็นเห็นเป็นน้ำใสๆแล้วก็ไหลลงไปไหลลงไปที่ใต้ถอยมันจะไหลลงไป ไรลงไปที่นี้เราก็ตัดตัดคำพูดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนตัดให้มันเป็นท่อนๆนเรียกว่าเราสร้างจังหวะสร้างจังหวะในการพูดเราบังคับจังหวะเมื่อวานเมื่อวานสื่อวันที่สิบสองก็เมื่อวานวันที่สิบสองที่หลวงพ่อไปพูด ก็มีโคศกเขพูดพูดยาวเหมือนกับว่าเอาปลาทั้งตัวขูดเกล็ดเสร็จแล้วเอาปลาทั้งตัวส่งใส่ลงไปในหม้อแล้วเอาเอาเครื่องแกงใส่ลงไปแต่ว่าเขาไม่ได้กันไม่ได้กันปลาตัวนั้นไม่ได้กันก็เลยพูดยาวและไม่รู้พูดเรื่องอะไร เนี่ยฉะนั้นนักพูดนักพูดเขาต้องพูดเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวปะปลาที่เราไม่ได้กันเน่เครื่องมันไม่ข้าวเครื่องมันข้าวไม่ได้เมื่อเครื่องมันข้าวไม่ได้มันก็ไม่กรีไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่อะไรเขาต้องกันกั น, นเหมือนกันแหละคำพูดน้เรหลกว่า วจีสังขารฉะนั้นวจีสังขารเราก็ต้องทําให้มันเป็นจังหวะให้มันเป็นจังหวะของมันตามธรรมชาตินี่คือธรรมะข้าไปจัดสรรเองถ้าเราปฏิบัติมากๆากข้าวธรรมะก็ข้าไปจัดสรรหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนที่สวนโมก ในพรรษานั้นพระทุกรูปจะต้องพูดก็เลยเตรียมกันทางวัดเดืเตรียมกันหลวงพ่อก็พูดพอถึงเวลาของหลวงพ่อหลวงพ่อก็พูดโอ้พูดออกมาเร็วปลือเลยฟังไม่ทันคนฟังมันออกมาเหมือนกันน้ำไหลอ ย, อย่างนั้นเหมือนน้ำไหลนั่ น, น, นก็น่าขา นึกแล้วก็ขำตัวเองเหมือนกันทีนี้ครั้งแรกนั่นคือครั้งแรกที่ขึ้นธรรมะใครมั่งที่จะพูดได้ท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่ที่ตรงนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสเราก็ตอนขึ้นแรกๆก็สั่นนิดหน่อยหสั่นนิดหน่อยไล่มันออกไปเพราะไล่มันออกไปก็หายหายทีนี้ก็พูดเร็วขรือเลยทีนี้ เอหรือเลยนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกนี่ต่อไปเราก็ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือว่าจีสังขารให้มันดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องที่เราจะพูดนี้พอไปครั้งหลังๆตอนที่อยู่ที่นี้แล้วไปถ้าไปตรงกับวันเสาร์ท่านอาจารย์จะบรรยายที่เห็นโค้ง มีคนสี่สิบคนห้าสิบคนเนี่เป็นวันเสาร์ทำไวจึงต้องทำวันเสาร์เพราะวันพระก็มีคนเก้าคนสิบคนตาสีตาสาทั้งนั้นเลยท่านคงเห็นว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่าจะพูดวันเสาร์ ให้ข้าราชการเขาเพราะว่าวันเสาร์ข้าราชการเขาก็หยุดมีครูบ้างมีหมอบ้างมีอะไรบ้างมีคนที่สนใจก็ามากันยี่สิบสามสิบคนห้าสิบคนท่านพูดวันเสาร์ทีนี้พอวันนั้นขอวงพู่ก็ไปตรงกับวันเสาร์พอดีท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าวันนี้เธอขึ้นท ร, ร ม, มาพูดแทนเรา อูทีนี่ไม่ใช่อวดดีนี่คือพูดแทนท่านอาจารย์พุทธทาสเพราะว่าแทนมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งแทนตอนนั้นที่บรรยายธรรมที่โรงหวัอศบทางวิญญาณ น, นั้นยังไม่มีพระองค์ไหนเลยก็ขเขียนรูปเสร็จไปยังไม่มากมีแขกมาท่านก็เลยจะพาแขกไป ท่านก็นัดแน่ว่าเออนี่ไรเอียดออให้แขกมาเวลาเท่านั้นออก็พาแขกมามาพักสิบคนยี่สิบคนท่านก็พาไปไปบรรยายทีนี้พอที่หลังท่านก็บอกว่าเออวันนี้เธอไปบรรยายเองเด้อ응เธอไปบรรยายเองก็เลยนั้นน่ยบรรยายเป็นคอสองท่านอาจารย์มาตั้งแต่นั้น บรรยายจนไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วบรรยายกันรูปที่ในโรงหมอศพทางวิญญาณจนเบื่อแล้วก็กล้าไปถึงเห็นก็เอียนแล้วเอียนแล้วบรรยายกันจนเอียนแล้วนี่ต้องเอาอย่างนั้นนี่มันจะมีอยู่รูปหนึ่งรูปหนึ่งของท่านมิลาเลปะนี่ก็ป้องหูอย่างนี้ ป้องหูป้องหูฟังอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ความเสียงลมไม่ใช่ฟังเสียงฝนความเสียงแห่งความสงบความเสียงแห่งความสงบกันลูกของมิลาเลปะมิลาเลปะเป็นชาวทิเบตทีนี้ประวัติก็ี่จะมีเรามีลาเลปะถูก อิจฉาถูกลิบสียเพราะว่าครอบครัวของพ่อของท่านเป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดกมีจำมารีฝูงจำมารีมีอะไรมากทีนี้ญาติพี่น้องก็อิจฉาพออิจฉาก็ทํากุนไฉทํากุนไสสามารถที่จะเรียกฝนได้สามารถจะเรียกรมได้ ก็เล่นคุณไสยมากเลยที่นั้นทีนี้ก็เลยเกิดความเสียหายขึ้นมาคนตายอะไรต่ออะไรท่านก็เลยแค้นใจแค้นใจก็ออกไปจากบ้านออกไปจากบ้านเนี่ก็ไปเรียนคุณไสยทีนี้ไปเรียนเรื่องคุณไสยก่อนพอเรียนเรื่องคุณไสยทางร่นรู้แล้ว ว่ไปจากนี้รู้แล้วรู้แล้วอาจารย์กุญสัยกำลังไถนาอยู่ตอนนั้นไถนาเข ก, ก็รู้แล้วก็เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มาเรียนสิ่งอย่างนี้ทีนี้ก็ไปไถนาเหมือนกับว่าไปตอนรับอยู่อย่างนั้นเนี่ยทีนี้เขาเรียนคุณญสเรียนกุไสประจบอาจารย์นี้ไปเรียนอาจารย์อื่นอีกทีนี้คนเวลาเลป่านั้น ก็ไปอยู่อีกอาจารย์หนึ่งที่รู้จักว่าอ่านนานแน้วลืมรืมพอไปเรียนอีกอาจารย์หนึ่งก็ก็สั่งให้สร้างบ้านสั่งให้สร้างบ้านไปหาก้อนหินไปแบกก้อนหินมาทีนี้เอาแบกก้อนหินมาแบกก้อนหินมาก็เอามาวางบนนอกชานขนาดวางบนนอกชาน เรือนทั้งหลังเนี่ยกระเทือนหมดเลยกระเทือนหมดทั้งหลังเลยนั่นแหะคือเขาเล่นคุณใสเล่นคุณใสทีนี้พอที่หลังอ๋อพอที่หลังเป็นยังไงก็เลยมิลาเลปะก็ไปทําอย่างนั้นเน่ยให้คนที่ทําให้พ่อเขาก็กลัวเขาจิบหายเขาก็เลยไปทําให้หมู่บ้านนั้นจิบหายหมดพอจิบหายหมด คิดว่ามันไม่ดีแล้วที่เราทําก็ก็เลยไปบวชที่นี้ไปบวชไปบวชเป็นพระเป็นพระทิเบตนั่นแหละพอบวชเป็นพระทิเบตก็ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทีนี้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่เอามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งไปดูบ้านมิลาเลยป่าไปดูบ้านเพาว่าบ้านน่ะอยู่ริมริมเขาแต่ท่านก็ไม่ไป ไม่ไปที่บ้านตอนกลางวันก็ไปอยู่บนภูเขาก่อนแล้วก็ดูไปว่าที่บ้านเป็นยังไงก็ถามถามคนบางคนถามว่าคนนั้นอยู่ไหมคนนี้อยู่ไหมบ้านนั้นยังอยู่ไหมเขาบอกว่าบ้านนั้นไม่มีใครอยู่แล้วพ่อก็ตายแล้วน้องสาวก็ไปอยู่โน้นแม่ก็ตายแล้วพอตกกลางคืน หรือท่านต้องการที่จะเก็บตัวไม่ให้ใครเห็นตกตอนกลางคืนเขาเลยลงไปลงไปตรวจดูบ้านตรวจดูห้องน้ำห้องนอนห้องโน้นห้องนี้หลังคาก็รั่วหมดแล้วพอไปถึงห้องครวงัวเห็นกระดูกกองอยู่เอากระดูกแม่ของท่านเองแม่มานอนตายอยู่ตรงนี้ก็ทำยังไงทีนี้ก็เลยเอา กระดูกแม่นั่นแหละเอามาตําำตำตำตต ำ, ต ำ, ตำออกมาทุบให้ละเอียดพอทุบให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ก่อเป็นเจดีทําเป็นเจดีเป็นหลักฐานเอาไว้ทีนี้จากนั้นท่านก็ปฏิบัติเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นไม่ได้ปฏิบัติที่นั้นไปปฏิบัติที่อื่นอ้อที่นั้นเขายังปลูก อาคาดปยาบาติท่านอยู่ปฏิ บ, บัติที่อื่นปฏิ บ, บัติที่ภูเขาในถ้ำแห่งนึ่งท่านก็ไม่กินอาหารท่านกินอะไรไม่กินอาหารกินแต่ผักกูดมีผักกูดอย่างเดียวต้มผักกูดอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นกินแต่ผักกูดกินผักกูดจนเนื้อตัวเขียวเหมือนกับผักกูดแล้วอีนี้ มีเรื่องหนึง่งคือท่านไม่ไมีผ้านุ่งเลยไม่มีผ้านุ่งนี่เมื่อไม่มีผ้านุ่งตอนนั้นก็น้องสาวของท่านพอรู้ข่าวก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมบอกว่านี่จะเอาผ้านุ่งมาให้ท่านบอกว่าไม่เอาผ้านุ่งไม่เอาทำเป็นปลอกนิดหนึ่งก็พอแล้วทำเป็นปลอกแล้วเอามาสวมก็แล้วกันท่านว่าอย่างนั้น ออที่หลังเป็นยังไงท่านปฏิบัติเป็นพระอระหันต์ได้ฤทธิ์ท่านก็ได้ฤทธิ์พอท่านได้ฤทธิ์ทีนี้ก็เรียก ว, ว่าเป็นใครใครกบกลัวแล้วกลัวแล้วอพอท่านเสียชีวิตคือท่านจะรู้หมดเลยอะไรท่านก็รู้หมดนี่คือเรื่องของมิลาเลปะเพราะฉะนั้นหนังสือเมื่อวานที่ โยมชื่อมาถวายเรื่องของทิเบตก็จะมีพระที่ป้องหูอยู่อย่างนี้นั่นคือเขาป้องหูฟังเสียงแห่งความสงบก็คือความสงบเย็นนั่นแหละดับว่างสงบเสียงแห่งความสงบนี่มันจะดังกว่าเสียงอะไรทั้งหมดแต่ถ้าฟังกับหูนี่มันไม่ได้ยินหรอก ต้องฟังกับสติปัญญาฟังกับสติปัญญาเหมือนกับว่าหูทิพย์อย่างนั้นทุกสิ่งวิ่งเข้าไปหาความสงบทางนั้นวิ่งเข้าไปหาความสงบต้นไม้ต้นไล่อะไรต่ออะไรก็วิ่งไปหาความสงบสัตว์ทุกประเภทวิ่งเข้าไปหาความสงบนีเราที่ปฏิบัติที่เราปฏิบัตินี่แหละมาฝึกปฏิบัติมาศึกษา ก็เรากําลังที่จะวิ่งวิ่งไปหาความสงบเหมือนกับว่ามีบอ่อน้ำอยู่ใครไปดื่มน้ำที่นั้นก็จะทําให้เปลี่ยนหมดอะไรก็เปลี่ยนหมดเรียกว่าบอ่อน้ำมันเป็นบอ่อน้ำอมฤตดื่มก็ไปแล้วไม่ตายก็ถ้าถึงความสงบแล้วก็จะไม่ตายะนั้นคำที่หลวงพ่อบอกว่า ดับว่างสงบเยน็นดับว่างสงบเยน็นดับว่างสงบยเย็นีนี้สงบมันก็ไม่ได้สงบไปทีเดียวมันค่อยๆสงบลงสงบลงสงบลงสงบลงเหมือนกับว่าเราเมื่อสมัยก่อนเราหุงข้าวกับทานทีนี้พอหุงข้าวเสร็จแล้ว ต้มแกงเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำไปดับฐานนั้นเพื่อจะใช้อีกแต่เราจะจับไม่ได้ตอนแรกนี้เรายังจับไม่ได้เพราะมันยังร้อนมันยังอุ่นอยู่เขาก็มีอะไรมีเหล็กสาหรับที่จะคีบฐานเนียนไหมคีบฐานนั้นถ้าเอามือไปจับมันก็มือพองนั่นแหละเพราะมันยังร้อนอยู่ ทีนี้ถ้าเราไม่เอาเหล็กนะไปคีบเราก็รอให้มันเย็นเองนันก็ค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงก็คือให้ความร้อนนั่นแหละมันสงบลงสงบลงจัดสงบลงนี่คือมันเป็นธรรมชาติที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นความสงบเนี่ยความสงบพัวเถื่อนควายเถื่อนเราก็เอามาฝึก ให้มันส ง, งบไม่ใช่ฝึกสมาธิให้มันฝึกให้ประโยชน์ต่างๆของมันนั่นแหละให้มันหายไปพอประโยชน์มันหายไปมันก็ส ง, งบพอะ ง, งบแล้วเราให้มันไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายมาทางขวาก็มาทางขวามันจะรู้เรื่องเนีย่ยพอเราฝึกมันจะรู้เรื่องหมดแม้แต่สัตว์นี่เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้อง มีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งที่จะต้องฝึกก็คือจิตตัวนี้แหละจิตตัวนี้มันเถื่อนมันเถื่อนพอมันเถื่อนแล้วเราต้องจับมันฝึกฝึกสติมันมั่งฝึกสมาธิมันมั่งฝึกก็มีปัญญามั่งอะไรมั่งฝึกย้ายมันโกรธมั่งฝึกย้ายมันโลภมั่งฝึกย้ายมันโง่มั่งนี่เราฝึกสัตว์ตัวนี้แหละตัวที่อยู่ที่เราเนี่ยฝึกมัน เราฝึกมันเป็นยังไงทีนี้กายสังขารมันก็ออกมาดีวจีสังขารมันก็ออกมาเรียบร้อยเพราะเราฝึกมันเราใช้ปัญญาฝึกมันมโนสังขารมันก็จะคิดแต่เรื่องดีๆทีนีเรื่องอิจฉ า, าริษยาโอราตโอเปรียบอาคาดพยาบาดจองเวนเราไม่คิดแล้ว นั่นคือเรียกว่าคิดดีที่จะลูกแกนของของพ่อปัญญาว่าพูดคิดดีพูดดีทําดีดีนั้นมันก็ยังไม่พอเรียกว่ายังไม่พอต้องไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นมันจึงจะดีเมื่อไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นใช้อะไรก็ใช้ปัญญานั่นแหละใช้ปัญญาใช้ปัญญาในการ ที่จะให้เกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาฉะนั้นว่าจีสังขารมโนสังขารกายสังขารไม่ถูกควบคุมด้วยอวิชชาแลี่มันก็จะดีทีนี้ทำยังไงเราทำอวิชชาให้มันดับแล้วก็ปฏิบัติตามอริยมรักนั่นแหละพอปฏิบัติตามอริยมรกแล้วได้สติได้ปัญญามาได้ อุตาปาฏิยานังตปาฏิปัญญาตาปาฏิวิจาตปาฏิอาโลโกตปาฏิก็เอามาดับก็ดับสมุทัย เ, เหตุมันที่นี่ตัวทุกข์มันก็ดับพอตัวทุกข์ดับตัวสังขารก็ดับตัววิญญาณก็ดับนี่มันดับที่นี่ดับแล้วก็ว่างเห็นไหมมันว่าง ถ้าไฟมันก็ว่างจากไฟอย่างมันว่างจากความร้อนฉันว่างนี่ตาจิตมันก็ว่างจากตัวกู้เลยว่างจากตัวกูก็ว่างจากความโลภความโกรธความหลงความโง่ ค, ความเกลียดความกลัวเน mm ี hmm. ่ยมันก็ว่างจากกิเลสต่างๆดับแล้วมันก็ว่างพอว่างแล้วต่อไปยังมีไออุ่นอยู่แต่ว่ามันเริ่มที่จะสงบแล้ว ออกไปมันก็ค่อยสงบลงสงบลงสงบลงจากว่างก็สงบสงบสงบสงบลงเหมือนที่พูดได้ฟังเมื่อคืนเรื่องพระพุทธรูปปางสยญาต์รูปนี้แหละนั่นคือปางสงบที่พระองค์นอนเรียกว่าปางพุทธสยญาต์คือปางสงบเร่องนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ปางนี้ที่เราปฏิบัติ เมื่อเราทำจิตว่างทำกายว่างทำวาจาว่างยืนเดินนั่งนอนว่างกินว่างดื่มว่างเกี้ยวว่างกินว่างจนว่างนั้นอิ่มตัวเพราะว่างนั้นอิ่มตัวต่อไปก็จะขึ้นตัวสงบพอขึ้นตัวสงบแล้วเราก็เอามาปฏิบัติอีก แว่าขึ้นหน้าใหม่แล้วเปิดหน้าใหม่พอเปิดหน้าใหม่เราก็เดินสงบนั่งสงบนอนสงบมันก็อยู่กับความสงบไปเป็นการอยู่กับความสงบไปเมื่อก่อนเราอยู่กับความดับเมื่อก่อนนั้นเราก็อยู่กับตัวกูพอตัวอยู่กับตัวกูไอ้ตัวกูเนี่ยตัวร้ายเราพยายามที่จะเลิกตัวกู เลือกตัวกูก็เลยต้องปฏิบัติตามองค์มรรคให้เกิดวิจรารเกิดปัญญาแลยมาดับตัวกูพอมาดับตัวกูอาวิชาดับแล้วก็ดับดับดับดับอยู Gmail. Gmail. Gmail. Gmail. Gmail. Gmail. Mm ่กับความดับอยู่กับความดับอยู่กับความดับก็คือตาไม่ใ่กูหูไม่ใจกูจมูกลิ้นกายใจไม่ใจกูอย่างนั้นเรียกว่าอยู่กับความดับอยู่กับความดับอะไรก็ไม่ใ่กูหมดไม่ใจกูหมดไม่ว่าทั้ง โลภะโทสะโมหะาอาวิชชาฉังกานวิญญาณนามรูปอายตนะปัจจานะไม่ใช่กูหมดอ่ะเขาไม่ใช่กูถึงที่สุดแล้วไอตัวไม่ใช่กูคือไอตัวกูมันดับพอตัวกูมันดับที่เราท่องท่องท่อทอยูอ่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันเกิดทีนี้มันเกิดพอไม่ใช่กูมันเกิดก็คือมันว่างจากกูแะไรมันเกิด ก็เกิดว่างขึ้นมาพอว่างขึ้นมาเราก็อยู่กับตัวว่างอยู่กับตัวว่างอยู่กับตัวว่างจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรอยู่กับตัวว่างตัวนั้นอยู่กับตัวว่างพออยู่กับตัวว่างจนอิ่มตัวอีกแล้วอิมตัวอีกแล้วมันก็รู้สึกเองะมันอิ่มตัวพอมันอิ่มตัวแล้วต่อไปมันก็อยู่กับสงบที่ว่างก็คืออย่างเดียวกันเลย พอว่างแล้วมันสงบแต่ถ้าไม่สงบก็คือไม่ว่างถ้าไม่สงบก็คือไม่ว่างนี่เหมือนกับว่าเรามีน้ําอยู่แล้วเราก็กรองกรองไอ้ขี้ฝุ่นออกไปทิ้งให้หมดแล้วเราก็จะเห็นเราจะเห็นว่าในน้ํานั้นมีอะไรบ้างในระใจวิโดก ท่านบอกว่าเมื่อจิตมันใสสะอาดเหมือนกับน้ำที่มันใสนั่นแหละเราจะเห็นสัตว์น้ำเห็นปูเห็นหอยเห็นปลาที่ลงไปล่องมาอยู่อย่างนั้นเหมือนกันนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าว่ามันเกิดโลภะเราก็รู้มันเกิดโทสะมันก็รู้มันจะเกิดโง่ขึ้นมาเราก็รู้มันก็รู้หมดว่าน้ำมันใสแต่ว่าดูภายหน่อย เยกอะไรว่ารู้ภายในมันรู้ภายในฉังนั้นดับแล้วก็ว่างว่างก็ทําว่างไปเรื่อยๆทําว่างไปเรื่อยๆเข้าไม้เราเห็นพอเรานั่งแล้วรู้สึกว่ามันว่างมันโล่งเดี๋วว่าเราลืมตาอยู่นั่นแหละมันว่างบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเออมันเย็นมันยังไงก็ไม่รู้มันว่างไปหมดเจริญ จะเดินเข้าไปจะเดินเข้าไปอย่างนั้นะเดินบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอยู่กับว่างยกเท้าขึ้นมาว่างเหยียบลงไปว่างแล้วก็ว่างว่างว่างว่างเดินว่างนี่เรียกว่าว่างอย่างนีเราว่างจนได้ที่พอว่างได้ที่เหมือนกับพระสังกายนายกองค์ที่หกนั่น กษัตกนนายกองค์ที่หกพอเป็นยังไงพอท่านไปเขียนคือพระอวหน้าไปเขียนว่าจิตร่างกายเหมือนกับต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลาที่ควรมันเลยจับไม่ได้ทีนี้พอท่านรู้ก็เขาก็ไปท่อง ไปใส่หูของพระสังฆานายกองที่หกตอนนั้นท่านก็ตาข้าวอยู่เป็นคนงานตาข้าวแต่ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาเนั่นแหละเสร็จ แ, แล้วพอได้ยินสิทธิคนหนึ่งไปท่องอย่างนั้นว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเช็ดมันทุกเวลามันจึงใสสะอาดพระสังฆน า, ายกองที่หก ท่านก็ว่ามันไม่ใช่แต่ท่านไม่ได้พูดกับใครว่ามันไม่ใช่ท่านก็เลยไปดูแล้วก็ไปให้เขาเขียนใหม่อ่าเมื่ อ, อเมื่อมันไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาที่คนมันจะลงจับที่ตรงไห น, น, นเพราะมันว่างดังนั้นนั่ะมันว่างทั้งนั้นมันว่างหมดมันว่างหมดที่นี่พอเสร็จแล้วประจักรนายกอง์ที่ห้า ที่จะมอบบาทมอบจีวรใหนั่นท่านก็รู้แล้วรู้แล้วท่านก็ไปเยี่ยมตอนดึกๆท่านไปเยี่ยมตอนไปเยี่ยมที่นี่ท่านก็ถามว่าเป็นยังไงข้าวสารนะ่ะหรือว่าข้าวได้ที่แล้วยังได้ที่แล้วยังก็คือหมายความว่าจากข้า เปลือกเป็นก้าวสารจากก้าวสารเป็นก้าวถุกเป็นก้าวถูกแล้วก็กินได้ท่านไปถามว่าเป็นยังไงข้าวได้ที่แล้วยังนี่ไม่ใช่ถามภาษาคนนะนี่คือาถามภาษาธรรมะทีนี้พระสังกานายกองค์ที่หกเนี่ยจิตโงน่นั่นแหละก็เลยตอบท่านว่าข้าวได้ที่ตั้งนานแล้วกอรับข้าวได้ที่ตั้งนานแล้ว พอได้ที่ตั้งนานแล้วหมายความว่ามันมันข้าวที่แล้วมันข้าวที่แล้ววิชาก็ดับแล้ววิชาก็ดับแล้วสังขารก็ดับแล้ววิญญาณก็ดับแล้วมันก็ดับดับดับดับดับกันไปแล้วนี่มันดับกันไปหมดแล้วแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ในคราบของคารวาสอยู่มันก็เลยยุ่งยากยุ่งยากเพราะฉะนั้นของเซนเราก็อ่านได้ แต่ว่าต้องตีให้แตกถ้าตีไม่แตกปัญญาจะไม่เกิดจะไม่เกิดเราต้องตีให้แตกถ้าเราตีแตกแล้วก็ก็คือว่างนั่นแหละก็คือว่างพอว่างแล้วเป็นยังไงสงบทีนี้พอว่างได้ที่แล้วได้ที่แล้วมันก็สงบอีพระบางรูปท่านก็ไม่อยากยุ่งยากท่านจะอยู่กับความสงบ อย่างพระอัญญากลันญะนั่พระัญญ า, ญญากตัญญะท่านเป็นพระที่ปัญษาแก่ที่สุดในพระพุทธศาสนานี้ทีนี้เมื่อท่านนั่งนั่งข้างหลังพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องรองจากพระพุทธเจ้าเป็นรูปที่สองทีนี้พราษาลีบุรมั่งพระโมกขันลานมั่งสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา ใครมาก็ต้องมากราบท่านก่อนท่านก็คิดว่าอยู่สงบสงบดีกว่าไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่ก็ยอยู่อย่างนี้เพราะเขาเกรงใจท่านมีปัญสามากท่านก็เลยลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่สาบัวในป่าหิมาา น, นอนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันสาบัวอยู่ที่สาบัว อยู่ที่ซาบวัวเนี่ยหลวงพ่อก็ยังคิดว่าเออท่านจะฉันอะไรท่านก็โดยต้องฉันของป่าก็โดยฉันลูกบวัวดอกบวัวอะไรอย่างนั้นท่านคงจะอยู่อย่างนั้นนั่นคืออะไรคือท่านอยากจะอยู่กับความสงบอยู่กับสงบอยู่กับสงบอยู่กับความสงบทีนี้อย่างพระเจนคือพระโพธิธรรม ที่ท่านไปอยู่ในถ้ำตั้งเจ็ดปีนะ่ยจะอยู่ในถ้าตั้งเจ็ดปีอง์แรกอยู่ในถ้ำตังนะตงนะำต้งเจ็ดปีหานหันหน้าข้าวถ้ำตั้งเจ็ดปีก็ท่านอยู่กับความสงบนั่นแหละอยู่กับธรรมสงบทีนี้พอมีพระองค์หนึ่งไปหาท่านไปหาท่านท่านก็นั่งสมาธิอันหน้า ข้าหาผ้าหนังทำพระองค์นั้นก็ไปถึงก็นี่ก็ผมมาเพื่อที่จะให้ท่านช่วยที่ท่านก็หันหน้ามาดูถามว่าจะให้ช่วยอะไรพระองค์นี้ก็บอกว่าอยากให้ท่านทําจิตของผมให้สงบที่พระองค์นั้นพระโพธิธรรมก็บอกว่า เออถ้าอย่างนั้นก็คุณเอาจิตมาให้พร้อมดี่พระองนั้นบอกว่ามันไม่มีเพราะมันไม่มีท่านว่าทำแล้วทําแล้วก็คือมันสงบนั่นแหละเห็นไหมนี่เราไปศึกษาเนี่ว่าเรื่องดับเรื่องว่างเรื่องสงบเรื่องสงบนี่แหละไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วเรื่องที่เราทุกคนปรารถนา ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราปรารถนาจุดนั้นคือจุดแห่งความสงบเพราะฉะนั้นใครอยู่ในขั้นไหนในตอนไหนก็ทําไปเสร็จแล้วเราก็ไปให้ถึงจุดคือความสงบอยู่กับความสงบกินกับความสงบอาบกับความสงบถ่ายกับความสงบ คิดกับความสงบทำกับความสงบพูดกับความสงบสงบทางนั้นไม่มีอะไรมันจะครอบคลุมไปหมดเราดูเดี๋ยวในโลกนี้ไอ้ที่เสียงอึกกระทิกลึกร่กรมกับที่ไม่อึกกระทิขคึก ร, กรมเสียงที่ไม่อึกกระทิกลึกร่กรมมันมากกว่าคือเสียงแห่งความสงบมันจะมากกว่าเด็กร้องไห้อย่างนี้เราง่ายจากพักมันก็หยุด มันก็จสงบคนหัวเราะอย่างนี้ดีใจหัวเราะพระหัวเราะไปจะสามชั่วโมงนี่เดี๋ยวก็ตายอมันก็ต้องหยุดมันต้องหยุดแล้วไปอยู่กับความสงบอีกเลยเนี่ยดีใจดีใจจนกินข้าวไม่ลงอย่างนี้ถ้าดีใจอยู่อย่างนั้นมันก็ตายเห็นไหมมันต้องวิ่งก้าไปหาความสงบวันยังข้าทีนี้เราปฏิบัติทำเราปฏิบัติ เพื่อให้ถึงจุดคือความสงบเตสังววปัชโมสุโ ข, ขการเข้าไปสงบประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขสังขารเหล่านั้นคืออะไรกายสังขารการกระทำทางกายวาจีสังขารการพูดทางวาจามโนสังขารความคิดทางใจการเข้าไปสงบประงับ สังขารเหล่านั้นไม่ใช่ไม่พูดไม่ใช่ไม่ทำไม่ใช่ไม่คิดแต่ว่าพูดไปทำไปคิดไปไม่ใช่กู้ตัวปัญญามันจัดการเองเนะี่ยตัวปัญญาตัวญาณนนะ่นจัดการเองหมดไม่มีกู้มันก็เลยพูดทำ ค, ดด ค, คิดไปด้วยความสงบคิดไปด้วยความสงบนเห็นไหมความสงบนี่ ควบคุมโลกควบคุมสัตว์โลกควบคุมมนุษย์ควบคุมจั ก, กรวาลควบคุมดวงดาวต่างๆในทุกๆจักรวาลอยู่ในความสงบหมดอยู่ในความสงบหมดมันมีแต่เกิดดับสงบเกิดดับแล้วก็สงบสงบทั้งนั้นมีแต่สงบไป ด, ดูเราไป ด, ดูเราไปคิดดูคิดเล่นๆดูก่อนก็ได้ แต่ตอนนี้ก็ทําไปตามลําดับคือให้ดับให้ดับแล้วก็ว่างว่างแล้วก็สงบและสงบแล้วมันจึงจะเย็นมันค่อยคยเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเยน็นลงเย็นเย็นจนถึงที่สุดสงบแล้วมันก็เย็นมันเย็นมันเองเนี่ไม่ต้องไปทําอะไรมันนี่คือเรื่องของกายกายเรื่องของความสงบ กายวาจาใสงบจิตสงบอย่างที่สามก็คือกิเลสสงบกิเลสสงบก็เพราะวิจาไปปราบไปปราบอาวิชชานะพอปราบอาวิชชาหัวหน้ามันหัวหน้ามันพอไปปราบหัวหน้าของความโง่อวิชชาดับอวิชชาดับก็คือนั่นคือกิเลสสงบกายวาจาสงบ อาศัยศีลจิตสงบอาศัยสมาธิปัญญาสงบกิเลสสงบอาศัยปัญญานี่กายสงบกายวาจาสงบจิตสงบเยนี่ไอ้ที่สามก็เรียกว่าอุปาทิสงบสงบนี่ก็เรียกว่าวิเวกวิเวกกายวิเวกจิตวิเวก อุปาิวิเวกกายวาจาสงบอาศัยศีลจิตสงบอาศัยสมาธิกิเลสสงบอาศัยปัญญาก็ปัญญาที่เราปฏิบัติตามรีมักมีองค์แปดนั่นแหละมันก็เลยไปดับอวิชชาก็ทำให้กิเลสสงบไม่อย่างนั้นมันไม่สงบมันจะได้อภิน ญ, ญา ไปดูเทวดาไปดูเมืองโน่นเมืองนี่เมืองนั้นแยกจิตไปดูนั่นก็ยังไม่สงบมันก็ยังไม่สงบมันต้องทำอาสวัคยายานให้สิ้นไปมันก็คืออาสวะอาสวัคยายานอาสวัคยายานก็คือทำอาสวะคืออวิชชาถ้าอาสวะเรียกว่ากามสาวะ ตอนแรกกาม마สวะอาจวะคือกาทีนี้ข้อที่สองภาวาสวาภาวะสวะก็คือพบต่างๆพบต่างๆพบมนุษย์พบเทวดาพบโลกพบเปรตพบจุลกายกาม마สวาภาวาสวะพอไปตัวที่สามก็เรียกว่าอาวิชาสวะอวิชาสวะ กาวิชาจาวะนี่ให้อาจาวะทั้งสามนี่มันดับพราดับแล้วก็ต่อไปมันก็เย็นดับแล้วก็ว่างว่างแล้วก็สงบสงบแล้วก็เย็นดับว่างสงบเย็นดับว่างสงบเย็นดับว่างสงบเย็นนี่คนที่ได้อภิญญาก็เป็นข้าวเล่นน้ําอยู่ทีนี้เป็นข้าวเล่นน้ําอยู่รู้ยอมรู้ไหมว่าข้าวเล่นน้ําเป็นยังไงพอเราทํานา มันมีน้ำมากมันก็ไม่ยอมออกรวงทักทีหนึ่งไม่ยอมออกรวงมันเล่นน้ำอยู่อย่างนั้นเปิดน้ำเปิดน้ำออกไปพอเปิดน้ำออกไปเป็นยังไงมันตกใจทีนี้มันตกใจพอตกใจก็รีบตั้งท้องรีบออกรวงขึ้นมาเลยให้มีน้ำนิดนิดหน่อยๆนอยอ้ก็ไขน้ำข้าวไปอีกเนี่ยทำให้มันตกใจเนี่ยต้องเล่นอย่างนั้นเรียกว่าต้องเล่นอย่างนั้นทีนี้ ผู้ที่ได้อภิญยาก็มัวเล่นอยู่ที่นี่มัวเล่นอยู่ไปรู้จิตของคนนั้นไปรู้จิตของคนนี้รู้จิตของตัวเองไปรู้นรกไปรู้สวรรค์ไปรู้อะไรมัวเล่นน้ำอยู่แต่เสร็จแล้วไม่สามารถที่จะทำอาวิชาชาสาวะให้สิ้นไปได้เพราะทำอาวิชชาชะวะให้สิ้นไปต้องอาศัยอริยมรรค มีองค์แปดอย่างเข้มแข็งนี่ใครจะเอาอภาิญญาก็ได้แต่ว่าเป็นข้าวเล่นน้ำอยู่อย่างนั้นไม่รู้อีกกี่ชาตินี่ถ้ า, าว่าได้ก็ฉักไม่ได้ก็ฉั่งไม่เป็นไรแค่มันหมดทุกในชาตินี้ก็แล้วกันให้มันจบไปอย่างนี้นะก็จะสบายต่อไปก็จะสบายนี่คือสาโลแกนอย่างที่บอกให้วังดับว่างจสงบเย็น ของท่านอาจารย์พุทธาทาสก็จะอาจสว่างสงบก็ไปอยู่ที่สงบแต่นี้มีทั้งสงบทั้งเย็นเอาสงบเย็นเป็นตัวเดียวกันก็ได้มันก็ยเย็นเองและถ้ามันสงบแล้วมันก็เย็นมันเองก็อ อ, อย่างนั้นเอาเป็นอนุภาปฏิบัติกันไม่หมดทีนี้ที่ฟังมันเยอะแยะเยะหลือเกินต้องไปปฏิบัติอย่างไรก็ต้องไปปฏิบัติใครอยู่ในขั้นไหนก็ปฏิบัติขั้นนั้นแหละ ปฏิบัติกันไปไปดูกิเลสไปดูจิตที่มันเป็นยังไงยังไงยังไงก็รู้มันรู้มันทีนี้ต้องเพิ่มความรู้ด้วยการปฏิบัติตามเรียมักมี8งแปดตามระดับเวลาของการบรรยายก็เห็นว่าพอที่จะสมควรแล้วขอยุติการบรรยายในภาคค่ำของวันที่สิบสาม เอาไว้แต่เพียงเท่านี้